เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมือ่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3 ม, มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจด้วยการทำบุญบุญนเ้เป็นเหเุที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของพวกเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญสูงขึ้นแต่ไม่ได้เป็นความสุขความเจริญของทางโลก เช่นความสุขความเจริญจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความสุขความเจริญเพราะเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเหล๋ยวก็ต้องหมดไปไม่มีอะไรติดไปกับใจแต่บุญที่เราทำนี้จะติดไปกับใจความสุข จะติดไปกับใจความเจริญของจิตใจจะติดไปเก็บจิตใจบนนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของพวกเราเป็นเทพกขึ้นมาเป็นพรหมขึ้นมาเป็นพระอริยเจ้ากขึ้นมาไม่ต้องไปเป็นเปรไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปเป็นรนรกไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉาน ด้วยอำนาจของบุญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของพวกเราเจรารุ่งเรื่อง ม, ม, มีความสุขนั้นเกิดจากอะไร ชีวิตของพวกเราเลยต้องละเหยเลล่อนไปกับความทุกข์ไปกับความสุขรอนเพราะพวกเราไม่มีแสงสว่างมองไม่เห็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงเราก็เลยเหมือนคนตาบอดคลาทางไปทางที่เราคำกันอยู่นี้เป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์แต่ในสายตาของพวกเรา พวกเราคิดว่าเป็นความสุขเช่นการได้ลาบได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมาได้ยศได้ตำแหน่งต่างๆได้รับการยกย่องสรรเสริญเยืนยอได้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพวกเราคิดว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขบา ง, บาง เหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมพออมก็ไปในปากเดียวๆพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมฉนะันใดความสุขที่เราได้ความสุขความเจริญที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลด <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้นได้มาแล้วก็หายไปหมดคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไสนุกสนานเฮร์ hey, A, กันพอวันนี้หายไปไหนหมดแล้วไม่มีหลงเหลือติดอยู่ใครในใจเหลืออยู่แต่ความอยากจะไปเที่ยวใหม่อีกเที่ยวเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันหมดเพราะสิ่งที่เราได้มามันเหมือนควันไฟความสุขประเดียวประดาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทำบุญจะติดไปกับใจของเรา แม้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วความสุขที่เกิดจากการทำบุญก็ยังติดไปกับใจเราความเจริญของจิตใจก็ติดตัติดไปกับจิตใจต่อไปเช่นเราตายไปถ้าเราทำบุญต่างๆเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปเป็นเทพได้ไปเป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าและในที่สุด ก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าก็จากบุญต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทานั่นเองบุญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทานีอะไรบ้างหนึ่งก็คือทานบุญที่เกิดจากการให้แบ่งปันเสียสละไม่หวงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของต่างๆ ที่เรามีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการเช่นเสื้อผ้าถ้าเรามีมากใบล้นตู้ช่วงนี้หน้าหนาวเอาไปแจกจ่ายคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าไดได้นุ่มได้ใสได้รับความอบอุ่นได้รับความสุขการให้ความสุขแก่ผู้ น, นี่แหละเป็นการให้ความสุขกับเราเวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุข จากการเสียสละแบ่งปันของเราเราจะมีความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญความสุขใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สูงขึ้นผู้ให้นี้ย่อมสูงกว่าผู้รับเสมอผู้ให้นี้เป็นผู้ที่ประเสริฐเช่นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้ทาแก่สัตว์โลกให้แสงสว่างให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่พู้เจ้าได้ก็คือความสุขใจที่เห็นสัต์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันพวกเรายังไม่หลุดพ้นเราหลุดพ้นจากความยากจนเรามีรับมีข้าวมีของเหลือกินเหลือใช้เราก็ไม่ควรที่จะ <c oughs> หวงเก็บเอาไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอาไว้เฉยๆก็เป็นภาระไปเปล่าๆต้องคอยต้องคอยเฝ้าดูแลรักษาท่านบอกว่าเอาไปแจกจ่ายดีกว่าเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าสัก4ี่ห้าชุดก็พอแล้วมีมากไปทำไมรองเท้ามีสักคู่สองคู่ก็พอแล้วกระเป๋าใบสงใบก็เหลือเฟื่อแล้วมีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วเอาส่วนที่ เกินนี้เอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นนี่คือข้อที่หนึ่งบุญที่เกิดจากการให้ทานข้อที่สองบุญที่เกิดจากการไม่กระทำบาปคือการรักษาศีลหรือละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเพ ส, สุรายาเมา และอบ า, ายามุขต่างๆถ้าเราไม่กระทำบาปได้ใจของเราก็จะไม่ตกต่ำเหตุที่ใจของพวกเราตกต่ำที่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก็เพราะการไม่รักษาศีลนี่เองการทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเาลา จะเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจตกต่ำจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกนี่คื อ, อผลของการกระทำบาปแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ก็เหมือนกับเราปิดประตูอบายได้ประตูอบายประตูนรก ถ้าเราปิดประตูเราก็ไม่ต้องเข้าไปในอบายศีนี้เป็นเหมือนประตูคอยกั้นไม่ให้จิตใจของพวกเรานั้นตกต่านี่คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคนที่รักษาศีลได้จะมีความสุขใจจะเพราะว่าจะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความวุ่นวายใจเวลาทำบาปในใจสงหบหรือใจวุ่นวาย ใจต้องวุ่นวายเพราะกังวลเพราะกลัวผลของบาปที่ตนได้ทำเอาไว้ว่าจะกลับมาทำลายตนมาสร้างความทุกข์ให้กับตนถ้าเราไม่ทําบาปความกังวลก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป ก, ก็จะไม่มีเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการทําบุญอันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบาย อย่าทำบาปโดยเด็ดขาดพยายามรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้รับรองได้ว่าตายไปจะไม่ต้องไปเกิดนายบายข้อที่สบุญที่เกิดจากการภาวนาคำว่าภาวนาก็คือการชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ใจของพวกเราตอนนี้ยังถูกสิ่งโสกปก คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพุ้มห่อจิตใจทําให้จิตใจไม่สดใสไม่เบิกบานมีจิตมีความแข็งเครียดมีความวิตกมีความกังวลมีความวุ่นวายใจเพราะอํานาจของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆและเป็นเหตุที่ทําให้จิตใจ ต้องไปเกิดในภพต่างๆถ้าอยากที่จะทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขก็ต้องภาวนาภาวนามีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าส ม, มถาภาวนาคือการทำใจให้สงบเช่นบริกรรมเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธไปผ่าณ ใ, ใจเพื่อหยุดความคิดต่างๆ ถ้าใจหยุดคิดใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะขั้นที่1พอข่้นที่ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็สามารถขึ้นสู่ขั้นที่สอคือวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้จิตใจเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง เห็นโทษของความอยากต่างๆว่าเป็นตัวฉุดลากให้เราไปหาความทุกข์มาใส่ใจเช่นอยู่เฉยๆอยู่ไม่เป็นสุขต้องเอาเท้าแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนถ้าเราแม่แกว่งเท้าไปหาเสี้ยนเราจะเท้าเราจะเจ็บหรือไม่ที่เท้าเราเจ็บเพราะว่าอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปแกว่าหาเสี้ยนกันเพราะคิดว่าสิ่งที่ไปหาได้นี้เป็นความสุข เช่นคิดว่าไปหาแฟนแล้วจะมีความสุขพอทะเลาะ ก, กับแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ไปพอแฟนทิ้งเราก็กลายเป็นความทุกข์ไปนี่เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเช่นแฟนของเราอย่าไปคิดว่าเขาจะรักเราไปตลอดวันดีคืนดีถ้าเขาได้ดีกว่าได้ของดีกว่าเขาก็ทิ้งเราได้อย่างง่ายดาย ให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่อยากจะมีแฟนอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวทำใจให้สงบดีกว่าถ้าใจสงบแล้วจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวได้ดังนั้นต้องทำสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อนพอมีความสุขแล้วก็ใช้วิปัสสนามาคอยสอนใจอย่าไปแกว่งเท้าหาเสียย อย่าไปหาความสุขอยู่เฉยๆอยู่ตามลงพังนี้ดีแล้วไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยด้วยซ้ำไปจิตใจที่มีความสุขแล้วไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเช่นจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่หิวท่านสามารถที่จะหาอะไรก็ได้ความสามารถของท่านมีเต็มเปี่ยม แต่ท่านไม่สนใจเพราะท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันเสื่อมไปมีวันหมดไปนั่นเองอนี่คือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้ามีวิปัสสนาภาวนาก็จะชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ตัดตัวที่จะจุดล่าจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ใจก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานอยู่กับบรมสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขที่ได้จากการภาวนาความสุขที่เราควรจะทำคือบุญที่เราควรจะกระทำต่อจากนั้นก็คือข้อที่สี่บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ เวลาเราทำบุญวันนี้เรามีบุญเหมือนกับเราไปเบิกเงินที่ธนาคารมาเราเอาเงินมาเราก็สามารถเอาไปแจกจ่ายเอาไปใช้ใจ่ายอะไรต่างๆได้ถ้าเราอยากจะเพิ่มบุญขึ้นอีกเราก็อุทิศบุญส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่รล่วมรับไปแล้วผู้ที่เรายังมีความรักความเคารพมีความระลึกถึงมีความปรารถนาดีต่อเขา เราก็ส่งบุญไปทางไปรษณีย์ส่งผ่านพระภิกษุเวลาท่นานสวดยะถาสัพพีเราก็กวดน้ำอุทิศบุญไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว<อ>เผื่อว่าถ้าเขาตกทุกข์กได้ยากลาบากเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเขาก็จะได้รับส่วนบุญ น, นี้เหมือนกับเวลาเราออกจากธนาคารไปเบิกเงินออกมามีขอทานนั่งอยู่ข้างถนน เห็นเขาสงสารก็แบ่งเงินที่เราเบิกมานี้ให้เขาไปบ้างเพื่อเขาจะได้เอาไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารซื้อเสื้อผ้าไว้ใส่เรียกว่าบุรอุทิทนะส่วนผู้ที่รับนี้เขาจะอยู่ในฐานะไหนถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องรับเขาก็จะอนุโมทนาบุญ บุญที่เราอุทิศเราก็สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ mm. เช่นเวลาเราอุทิศบุญตอนต้นเราก็กําหนดบุคคลเขา อ, อุทิศให้ปู่ย่าตายายวิดามานดาเป็นต้นแล้วถ้าเขาไม่ไม่ต้องรับบุญเหล่านี้ก็ขอให้เป็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไปสปรรพสัตว์ตัวใดอยู่ใกล้ขาดบุญต้องการบุญก็เอาไปเลยนี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ เวลาอุทิศบุญแล้วเราจะมีความสุขเหมือนกับเราทำบุญเพียงแต่ว่าเราทำบุญกับกายทิพย์คนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราเขามีแต่กายทิพย์นะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญที่เป็นเหมือนอาหารของกายทิพย์นี่คือเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญแล้วข้อต่อมาบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา บุญเวลาเห็นคนอื่นเขาทำบุญก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีหรือร่วมทำบุญไปกับเขาด้วยเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอย่าไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นนะ แ, แต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะเสียประโยชน์จากบุญที่เขาทำเช่นเงินที่เขาเอาไปทำบุญ เผื่อถ้าเขาตายไปเขาอาจจะทิ้งไว้ให้กับเราแต่พอเขาเอาไปทําบุญเราก็เลยไม่ได้มรดกเราก็เลยเสียใจแทนที่จะอนุโมทนาเรากลับไปห้ามค่ะว่าอย่าทําเลยทำแล้วไม่ได้หรอกเก็บไว้ให้ฉันดีกว่าเวลาเธอตายไปนี่แสดงว่ายังมีความหวงมีความอิจฉาริษยามีความโลภอยากได้เงินของคนอื่น เขาคิดว่าเวลาเขาตายไปแล้วเขาจะได้เขียนในพินัยกรรมมอบเป็นมรดกให้กับเราเขาอาจจะไม่เขียนก็ได้เพราะอาจจะทําบุญหมดเลยเพราะเขารู้ว่าบุญนี้เขาเอาไปได้แต่เงินทองนี้เขาเอาไปไม่ได้ดังนั้นเวลาเราเห็นใครก็ทําบุญถึงแม้ว่าเราจะเสียประโยชน์ที่เราอาจจะได้เราก็อย่าไปเสียดาย อนุโมทนาชื่นชมยินดีดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขไปกับเขาถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็จะมีความทุกข์ใจเสียดายเงินทองที่เราคิดว่าควรจะเป็นของเรานี่คือเลือกว่าการร่วมอนุโมทนาบุญจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เราไม่มีความเสียใจไม่มีความทุกข์ใจบุญต่อมาที่เราทำก็คือ การรับใช้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากพอที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยกันไปตามกาลังมีมากมีน้อยก็ช่วยกันไปไม่มีของให้ก็ช่วยด้วยกําลังกายก็ได้ช่วยด้วยกําลังใจก็ได้เวลาเขาไม่สบายทุกข์ใจเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปลอบใจเขา ให้เขาหายทุกข์ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจบุญต่อมาก็คือการทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้อยู่กับใครก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีใครรังเกียจแต่ถ้าทำเป็นคนถือเนื้อถือตัว อวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดจะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยจะไม่มีใครยินดีคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าทำเป็นคนอ่อนนอ้อมถ่อมตนทำตัวเป็นปัทภีใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะด่าใครจะทำอะไรก็ไม่ถือโทษกอดเขื่องยินดีรับกับสภาพต่างๆอยู่อย่างนี้อยู่กับใครก็จะมีความสุข คนอื่นก็จะมีความสุขนี่คือบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอวดเก่งอวดดีอวดรู้อวดฉลาดไม่มีใครเขาชอบคนอวดเก่งอวดดีเขาชอบคนถ่อมเนื้อถ่อมตนอยู่กับใครคนเขาจะชอบเราเขาจะไม่รังเกียจเราทำให้เรามีความสุขแล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการ มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบาปแล้วไปนรกการที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นวันนี้ญาติโยมมาฟังคำสอนก็ได้รู้แล้วว่า การที่จะทำให้จิตของเรามีความสุขความเจริญเกิดจากการทาบุญแบบต่างๆเช่นทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราฟังแล้วเราเชื่อเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เราได้รับผลที่เราต้องการกันก็คือความสุขความเจริญถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรม เราอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบก็ได้คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเพราะเวลาร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปแล้วใครละ่ะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาสนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีตาทิพมองไม่เห็นใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกาย ใจของเรานี่แหละที่จะไปเป็นเทพหรือไปเป็นเปรตอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคนที่เห็นนี่คือพระพุทธเจ้าพวกเรายังมองไม่เห็นเราก็เลยต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้หลุดพ้นกายเป็นพระอารหันต์กันคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไปตกนรกกันนี่คือความเห็นที่ถูกต้อง จะต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นบุญอีกแบบอีกชนิดหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเพราะทำให้เรามีความสุขใจเวลาฟังเทศฟังธรรมใจจะสงบมีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็จะมีมิตรมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบบุญข้อสุดท้ายหลังจากที่เราได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติ จนได้บรรลุธรรมะขั้นต่างๆแล้วเราก็สามารถเอาธรรมะที่เราบรรลุนี่มาเผยแ ผ, ยแผย่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อีกต่ออย่างที่พระพุทธเจ้าได้กระทำหลังจากที่ทรงตัดสัตวแล้วก็ประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่มีธรรมของเราแต่เรามีธรรมของคนอื่น เช่นหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วประทับใจมีความสุขเห็นมีคุณมีประโยชน์เราก็ไปซื้อมาจากมาจากเรียกว่าเป็นการทาธรรมทานการให้ธรรมะนี้เป็นการให้เป็นชนะการให้ทั้งปวงไม่มีจะให้อะไรให้ใครดีเท่ากับให้ธรรมะเพราะให้ธรรมะแล้วจะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ให้อย่างอื่นนี้หลุดไม่ได้ดางนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงต้องช่วยเขือช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ด้วยการหาธรรมะามาให้เขาได้อ่านได้ฟังพอเขาอ่านเขาฟังถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้นี่คือการสร้างความสุขให้แก่ใจของพวกเราสร้างความเจริญให้แก่ใจของพวกเรา ด้วยการทำบุญต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำทำแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ จ, จะเจริญขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความจเจริญขั้นสูงสุดคือการได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดจากการทำบุญทั้งสิบประการนี้ จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ท่านได้นำเอาไปพิมิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศระีลัตนกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและวความเจริญด้วยอายุวันณะสุขขาภละโดยทั่วหน้ากันเธอ